เข้าใจว่าอย่างนี้ปแกเข้าใจว่าภาพนั้นคงถูกแจ้งไปนะครับแจ้งไปในระบบแล้วเวลาเราส่งภาพนั้นนะให้ในกะล่องข้อความซึ่เป็น m e s s e n เจอร์ของเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบันดีเทคอัตโนมัตมิอตเออโต้เช็เนี่ยนะครับมันจดจำรูปแบบรูปภาพไว้แล้วนะครับเราส่งปั้งแค่นั้นก็โดนเลยนะเขากระเตือนสามวันแค่นั้นอะ